วิธีสวดสมนุนาภและกรรมวาจาสวดสมนุนาภภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุนโภภิกษุนั้นอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติจตุตกรรมมวาจาว่า420ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าทิศทิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุชื่อนี้เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว จนกระทั่งว่าทําตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้สศร้าเสพได้จริงไม่ภิกษุนั้นไม่สละทิฏฐินั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงสวดสมรภาพภิกษุชื่อนี้ <S <S เพื่อให้สละทิฏฐินั้นนี้เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุชื่อนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่า ทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่อนตรายก็หาสามารถก่อนตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่ภิกษุนั้นไม่สลัทิฏฐินั้นสงสวดสมุภาพภิสูุน์เช่อนี้เพื่อให้สลัทิฐินั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมุภาสพิสูจน์เช่อนี้เพื่อให้สลัทิฏฐินั้นทารูปนั้นพึงนิ่งทารูปใดไม่เห็นด้วยทารูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอกล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอกล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่อนี้อย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทําตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่อนตรายก็หาสามารถก่อนตรายแก่ผู้ท่องเสพได้จริงไม่ภิกษุนั้นไม่สลัดทิฏฐินั้นทรงสวดสมรภาพภิกษุเช่อนี้ เพื่อให้สละทิฏฐินั้นถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมุปาสภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละทิฐินั้นถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยทรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงสวดสมุปาสแล้วเพื่อให้สละทิฏฐินั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบยติต้องอบัตทุกขกดจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุกข์สองตัว จบกรรมวาจากครั้งสุดท้ายต้องอาบัดตาจิตตี